อาดั้งตามสบายไม่ต้องพนัมือก็ได้เดี๋ยวจะมือมือนั่งไงก็ได้มันสบายฟังอะไให้มันสบา ย, งงบายแต่เดี๋ยวอย่าไปคุยกันนะทางนอกเริ่มแล้วเพราะตังะ้งบายเสร็จทางนอกเริ่มตั้งวงสนธนาเหมือนกันเพราตั้งศพมาสามวันแล้วฟังพระเทศ มาสามวันแล้วเราได้กี่คำกี่ประโยคไปบ้างที่จะได้เป็นกติได้เป็นข้อคิดเม่งั้นมันก็วันหนึ่งมาแก้บา่าคุณยายคุณยายพอเตียงอุป ร, ราณ์ข้อเก้าสิบห้าอยู่บนโลกใบนี้อันนี้คือความไม่ประมาทเพราะนั้นยายพวกเรา โดยพอก็คือจะเป็นชาวพุทธจริงๆชาวพุทธจริงๆไม่เหมือนกับาศาสนาอื่นาศาสนาอื่นเราคงไม่เอ่ยชื่อาศาสนาอะไรพอเข้าไปในบสถ์ในวิหารเขาแสดงความเคารพชัดเจนเรื่อการแต่งกายเรื่องพูดไม่ต้องพูดถึงเลยโบโบก็ฝึกวันตั้งแต่เด็ก กลายเป็นนิสัยเขาเรียกวิ่หนัยบางเราเมืองพุทธคนตายตอนหน้าก็ยังคุยกันเฉยเมืศีลบรรพะมาวัดพระเกษตไปโยมก็คุยไปมันไม่ค่อยได้ประโยชน์วันนี้ไปงานศพมาเพิ่งเข้าวัดประมาณห้าโมงกว่า นลักษณะอย่างนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมานี่คือไปงานศพจนจจำไม่ได้นะกระเทศจนงจำไม่ได้จำได้อย่างเดียวคือปฤติกรรมเริมต้นก็บูชากันไปน้ำไหวพระสมาทานศีลก็ อ, อย่างนี้แหละถามพวกเราจริงๆว่าคาว่าวหายพระของเราไหวเพื่ออะไร พุทธังธรรมังตังคังสรั ง, งกระชาีิคือการเข้าถึงผู้ที่จะเอาประทำประสงค์ครั้งที่สองครั้งที่สามอย่าเพิ่งคุยกันเนะเาะมีกระกเขาไปคุยกันข้างนอกนอ้องเรากาลังพูดถึงคารวะอย่างเราไม่เคารพบุบคคลก็เคารพในธรรมธรรมะคารวะเพราะเรากำลังจะพูดถึง พระรัตนใจที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้ให้เห็นพระรันตนใจอยู่ใกล้ตัวว่าเป็นของสําคัญหมายก็ว่าถ้าเราขาดพระรันตนใจเมื่อไร่คนสําคัญมันก็ลดลงน้อยลงผู้ทางตารางเข้าจไหมให้ยกออกพระรันตนใจไปไว้ที่บ้านเพราะนั้นผู้ทางคือผู้ศรีเจ้าถ้าอยู่ในบ้านก็เหมือนกับพ่อ มันกบพ่อเราทำบังตนางกราชามิก็เหมือนกับแม่พ่อกับแม่แต่งงานกันก็ามาเป็นลูกก็คือผสมหรือถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แปลว่ายกพระนรตะไรไปที่บ้านตอนนี้ล้วพ่อเราไปไหนแล้วที่เป็นรูปธรรมตอนนี้แม่เราไปไหนแล้ว ก็เลือแต่ลูกที่เห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องได้เข้าใจได้ก็คือสังคังสนังกระจาเนี่ยนี่คือความสำคัญสมุ่าบ้านบ้านเราเนี่ยพ่อพูดก็ไม่ฟังคือไม่ฟังพุทธเจ้าหลักธรรมคำสอนอะไรถือว่าถือว่าพ่อเราก็ไม่ได้สำนึกสำเนื่อกอะไรแม่คือธรรมชาติคือพระธรรม แม่น้ำธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาติที่มันว่าเกิดแต่มันเข้าใจยากนะแม่ก็พยายามเรสอนให้เราเข้าใจอย่างนี้คุณปอเตียงอุป ร, ปราชุเขาพยายามเรสอนเราว่าเกิดแก่เจ็บแนละทายอันนี้คือแม่สอนนะซึ่งไม่ใช่แม่ไม่ใช่ปอเตียงคือธรรมชาติธรรมชาติมันสอน แต่พวกเราก็ไม่ฟังก็เหลือแต่ลูกท่านคือประสงค์ดังนถ้าประสงค์พยายามที่จะชีชนะ้นะนําก็ยังมีใครเอาสรุปคือบ้านมันจู บ, บุนได้ยังไงเราจะอยู่กันยังไงนี่ลูกหลานคนต่อต่อไปจะเอาอะไรเป็นตัวอย่าง อ, าอะไรเป็นเยี่ยงอย่างนี่คือความสําคัญว่าทําไมเบื้องต้นพระราชตรัสรายมีความไหน เป็นความชานสลัดของบุรพาจารย์แต่เราก็สักเทวาไหวสักเทวาเปล่งวาจาไปอย่างนั้นมันไม่เข้าถึงใจมันนี่ความเข้าใจเสร็จแล้วความเข้าใจเออบานถ้าขาดสิ่งเหล่านี้มันหาความอบอุ่ไม่ได้นะความมั่นคงไม่ได้นะก็บอกต่อไปไหวพระเจ้าแล้วสมาทานศีลศีลมันบอกถึงอะไร มันบอกเรอาเป็นคนเป็นมนุษย์มันบอกตรงไห น, นมันบอกว่ามนุษย์ที่ทิศเรียกตัวว่ามนุษย์เป็นมนุษย์จริงหรือเปล่าไม่รู้คําถามก็คือมนุษย์คนสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่เราไปคิดว่าเป็นคาหยาบคาย ทีอย่างเดรัชานก็ไปไปทางขวางก็ออกไปมันไจะคํ า, ายาคายใด้เลยเป็นการบ่งบอกกิาอาการเขาออกไปเขาไม่ยืนตรงบนพวกเราโดยติระชานะเราก็ไม่พูดถึงตัวนั้นเราพูดถึงว่าระหว่างาสัตว์คนมนุษย์มันต่างกันตรงไหน น, นี่ความฉลาดของบุรพาจารย์บอส่วนที่ต่างจากนี้นเห็นได้าจากศีนนี่แหละ เสินห้าเนี่แหละมันตายยังไงวันไหนมีศินบ้างไม่มีศินบ้างคือห้าข้อนะี่มัต้องอามากที่เป็นพืน้นฐานบางวันก็มีครบบางวันก็ไม่มีถ้าวันไหนมีครบมนุษย์หมายถึงความเป็นมนุษ ย, ษย์หมายถึงใจไม่เกี่ยวกับร่างกายถ้าวันไหนห้าข้อไม่ครบมันก็เป็นได้แค่คนคนไม่ครบับ วันไหนข้อเดียวก็ไม่มีเลยเนี่ยเป็นคนไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นอะไรก็สะเพสสะตาเพราะเขานี่ยเข้าไม่มีสักข้อเลยนี่คือความสําคัญอยาให้เราเห็นุพวกนห้นเป็นความสําคัญในชีวิตประจำวันแล้วเราจะเห็นความแตกต่างคนสัตว์มนุษย์และก็บพระ ควาเป็นพระอยู่ตรงไหนพระอวระคือประเสริฐเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แล้วเป็นพระทั้งหมดนี้เราพูดที่ใจไม่ได้เกี่ยวกับกายเกี่ยวกับอาจาไม่เกี่ยวรูปร่างพระสินจะเป็นตัวชี้วัดพระต้องได้เสนอเพื่เราฟังว่าคนที่จะไปสวรรค์มีมนุษย์สมบัติหรือทไปในพานได้ก็เพราะสินนี่นะพระทังกระจมม้วนสินคือสรุปพูดอย่างไรก็คือสรุปให้เราฟัง ความสำคัญของศีนมันตรงนี้แต่เราก็สัตย์วารับรับไปแล้เสร็จแล้วพระตาธรรมโอก็เนี้ก็คือหันหน้าแล้วก็คุยกันต่อถามว่าคืออะไรทีนี้นพอไปแค่พิธีกรรมจนกลายเป็นพิธีเกินสุดท้ายคือไม่มีความสาคัญไปหาความศักดิ์สิทธิ์มาจากไหน ม, มันก็ไม่มีถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเนี่ย แปลว่าตัวเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดทีนี้มันวัดอะไรอะไรเป็นตัวชี้วัดเป็นตาช่างไม้เม็ดไม้บรรทัดอะไรเป็นตัวชี้วัดแล้วก็วัดอะไรได้ตัวชี้วัดที่คํานําหน้าทัวร์บานทัวเมืองทัวประเทศชาติบ้านเมืองของเรา3ามหมนกว่าวัด ถ้าเป็นพระก็ประมาณสามแซนที่เป็นวัดเราก็ได้ยมเข้าวัดกันวัดอะไรมาวันนี้วัดสัจธรรมมาวัดมาวัดอยู่สามเรื่องคือมาวัดกายวัดวาจาจ้าเจ้าเนี่ยวัดใจนี่คือวัด ถ้าอยู่ที่บ้านวัดกายตัวเองได้วัดวาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองได้ไม่ต้องมาวัดวัดทไหนก็วัดได้ถ้าเราวัดเองได้เนี่ยคือวัดส่วนชื่อที่ตามมาสันติธรรมอย่างหลวงพี่โหลวงนาบนวัตสละพัดเชียงใหม่หลายร้อยหลายวัดเป็นสถานที่เข้าไปวัดเฉยๆเข้าไปแล้ววัดไม่ได้ก็เหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมยังไม่ถึงห้าทีเราวัดอะไรไม่ได้อย่าง วัดกายเออนิดหนึ่งวัดวาจาเห็นไ้มที่ต้องต้องปรามต้องเตือนและที่ปสำคัญคือใจสําคัญที่สุดคือใจนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการอย่างนี้แล้วเนี่ยว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนไปงานอะไรส่วนพฤติกรรมพิธีเกรริดกรร็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องไปพระรับสินเสมอทีนี้ถ้าพระท่านจะถามกลับบ้าง โยมไหว้พระเพื่ออะไรโยมรับศีลไปเพื่ออะไรคือวัดไปแล้วไม่เอาไปปฏิบัติวันนี้ก็รับศีลพวุนี้ก็มารับอีกแล้วก็เรื่องเดิมแหละสมาทานเหมือนเดิมแต่พระธรมอาเมื่อวานโยมก็รับศีลไปแล้วห้าข้อวันนี้รับอีกแล้วเหรอห้าข้อมันหมดไปแล้วเหรอมันหายไปแล้วเหรอเหมือนเราเด็กถามเด็ก แม่ขอตังค์ร้อยผู้นี้ขอใหม่ถามว่าแม่ขอตังค์ร้อยเอถามเอาเมื่อวานเอาไปร้อยหนึ่งคนระับหมดไปแล้วบอกหมดแล้วเออมันพอฟังไม่เหตุไปผลได้แต่พระเราไม่เคยถามรับศีลนะบอกเอาเมื่อวานห้าข้อรับไปแล้วมันหมดแล้วเหรอห้าข้อมันหายไปแล้วไม่รักษาแล้วเหรอเราจะตอบพระว่าอาายา่างไง แต่พระท่านก็ไม่ใครถามมันก็ได้เป็นอย่างนี้พระนัจนรยาให้พวกเราเข้าใจธรรมะคาสอนของพระเจ้าเป็นเรื่องพื้นๆเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องที่เราทาเป็นประจาอยู่แล้วแต่ว่าเราทำด้วยสัญญาคือความจำแต่เราไม่ทาด้วยปัญญามันจังไม่เกิดปัญญามันได้แต่สัญญาคือจำคือความจำา้ายไมร่รู้สุดท้าย ก็จบที่สัญญาก็คือจำเราเรียกสิ่นี้ว่าศรัท ธ, ธาเรียกที่ว่าความเชื่อแต่เราไปไม่ถึงปัญญานั่นก็คือไปไ่สุดทางที่พระเจ้าชี้เอาไว้เริ่มต้นคือความเชื่อมีทุกศาสนาศาสนาอะไรก็เริ่มต้นเจ้าจงศรัท ธ, ธาใจเชื่อแต่เราไปไม่ถึงปัญญา เพราะนั้นทุกอย่างที่โบราณอาจารย์ได้ทำไว้ให้พวกเราล้นแต่มีความหมายและทรงวยคุณค่าถ้าเราเข้าใจโดยละเอียดรือดักซึ่งนั้นทั้งหมดนี่ถือว่าเป็นคำที่ย้ำเตือนพวกเราถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็คือเข้าใจว่าพุทธพระธรรมปสงท์ถ้ยกไว้บ้า น, รรา น, านเหมือนพ่อแม่ลูกก็อยู่ที่บ้านได้ ถ้าเราเข้าใจว่าเออสินจะเป็นตัวปฏิบอกความแตกต่างเราบรรลุสัตว์ทั้งหลายที่เราจิตไม่ออกจากร่างอะไรมันก็ความแตกต่างก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเปลือกสุกายสัตว์เดรัจฉานคือภูมิที่จิตมันจะไปแต่ถ้าจิตดวนั้นสินสักตัวก็ไม่มีชัดเจนที่สุดก็คือมันก็จะไปตามนั้นเราทุกคติเป็นที่ไปคุณยายปอเตียงอุปราชนุเคราะ์หมดโอกาสแล้ว ภาษาเราพูดง่ายๆคือหมดบุญจริงๆไม่ได้หมดบุญอย่างเดียวหมดบาปด้วยคือไม่สามารถที่ทำบุญทำบาปได้แล้วแต่พวกเราโชคดียังมีลมหายใจอย่าประมาทในวัยในชีวิตให้เชื่อพ่อเชื่อแม่เชื่อลูกของท่านเราไปดีแน่นอน คืไปสุขคติแน่นอนโดยไม่ต้องไปถามแล้วตายแล้วไปไหนไม่ต้องไปสงสัยถ้าเป็นคนเดียวเหมือนคุณยายไปถามคุณยายตายแล้วไปไหนถ้าเรามั่นใจว่าคุณยายเมื่อมีชีวิตอยู่ทําแต่คนงานความดีเป็นคนดีเป็นเทศการเป็นที่รักของลูกหลานทุกคน เราก็คงถ้งไปสงสัยว่ามันยาตายแล้วไปไหนไม่ควรจะสงสัยเพราะว่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยไปดีแน่นอนไม่ต้องมาสงสัยอันนี้คือสาระฝากพวกเราสั้นๆวันนี้จิงๆเราก็เหนือยทั้งวันวันนี้ไปได้ช้าพเพ่อกลับมาก็คิดว่าไม่กี่คำไม่กี่ประโยคเหล่านี้ถ้าเราไปาค่อยๆพิจารณาเอาไปต่ยอดลองไปคิดดู อย่าเพิ่งไปเชื่อที่พูดเนี่ยปรบพือดีกว่าที่พูดมาทั้งคนเออถ้าเรายกพุทธธรรมส่งไว้ที่บ้านเพื่อสวดพ่อแม่ลูกเนี่ยถ้าทําได้จริงมันจะเป็นยังไงถ้าเอาศีลไปใช้จริงๆเราจะเห็นความแตกต่างของมรู้สัตว์เดชานอย่างชัดเจนที่สุดเอาแค่นี้ชีวิตเราก็ดีขึ้นทุกวันแล้วแล้วก็ทบทวนอย่างนี้ทุกวันเราก็จะเป็นคนทําดีทุกวันเมรุนธรรมะสั้นๆ ไม่มากไม่น้อยในวันนี้คิดว่าคงเป็นข้อคิดสะกิดใจของผู้เราไม่มากก็น้อยก็จะลืมนำสิ่งต่อนนี้โอปัญิโกน้อมเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะเชื่อเป็นผู้ข้าวัดคือวัดกายตัวเองได้วัดวดาจาตัวเองได้วัดใจตัวเองได้ไม่ต้องให้คนอื่นไปวัดนี่คือการเข้าวัดอย่างแท้จริงในวันนี้ ขออนุธนากุญเตนาที่พวกเราทุกคนถือว่ามาส่งคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายเป็นคืนสุดท้ายในวันนี้ขอความดีที่เราทําทั้งหมดทั้งหมดนี้จะเป็นผลลัพปัจจัยถึงแก่คุณยายผู้ล่วมรับซึ่งวันนี้มีเจ้าภาพบริษัทนครเชียงใหม่ไตเทือนจำกัดบริษัทลำโพงไตเทียนจำกัดเพื่อนมงคอรุ่นสองพันร้อยสิบสามและรุ่นหนึ่งเก้าสองนอกจากนั้นคุณหมอ แพทยมชรุ่น17ร่วมกันเป็นเจภาพลูกหลานกัลยาณ์นั้นคือทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพเพื่อนำํำกุศลเจตนา น, นี้ไปถึงแก่คุณยายพูดลงรับไปแล้วขออนาคขอคุ้มเสีรัตนใจคืออำนาจของพ่อแม่ลูกทั้งหมดนี้จะเป็นพระละปัจจัยหน้นส่งนั่แก่คุณยายพูดลงรับไปแล้วมีความสุขความเจริญในสัมปราพบตามสมควรแก่ตานานนุรูป ตาอการและเวลาการแสดงทำก็สุกวรแก่เวลาเอาาเวังก็มีรูปบการชนี